วันนี้ก็เป็นวันพระวันพระนี่ถ้าแปลาตามตัวอักษรคาว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่คาว่าประเสริฐนี่มันไม่ได้ประเสริฐเพราะว่าเป็นพระคือถ้าบวชเป็นพระถ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองกอนสีสษะอย่างเดียวก็ยังไม่ประเสริฐ เพราะความประเสริฐของคนเรานี้อยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราก็ททำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะเป็นผู้ประเสริฐโดยที่เราไม่ต้องบวชก็ได้ไม่ต้องโกนศีรษะไม่ต้อง ห, ห่มเหลืองก็ได้ เพราะความประเสริฐนี้อยู่ที่กายวาจาใจอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาใจที่สะอาดที่ไม่เกิดโทษเกิดคุณเกิดประโยชน์เป็นการกระทําที่เกิดคุณเกิดประโยชน์และเป็นการกระทําที่ปราศจากกิเลส ต, ตัณหา อันนี้คือความประเสริฐคนที่ทําบุญคนที่ละบาปคนที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่แหละเป็นผู้ประเสริฐคือพระ อ, อริยสงสาวกพระพุทธเจา้านี่ท่านเป็นผู้ที่ได้ทําบุญกันอย่าง เต็มที่ได้ละบาป ก, กันอย่างเต็มที่ได้ชาระใจให้สะอาดอย่างเต็มที่ท่านก็เลยกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระอรหันตาสาวกขึ้นมาคาว่าพระอยู่ตรงนี้อยู่ที่กายวาจาใจ อยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาทางใจคือการกระทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมการละการกระทำบากทั้งปวงการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือความประเสริฐเพราะผลที่จะได้รับจากการกระทำ ที่ประเสริฐก็คือความสุขที่สูงสุดจะเรียกว่าบรมสุขนิพพานังปละมังสุขขังความสุขที่ได้จากพระนิพพานพระนิพพานก็คือความสงบที่เกิดจากใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์อัศ จ, จ, จากความโลภความโกรธความหลง วันนี้จึงเป็นวันที่เราจะมาทำกายวาจาใจาของเราให้ประเสริฐวันพระเช่นท่านบอกให้ทำบุญทำความดีวันนี้เราก็มาทำบุญด้วยการนำเอาข้าวของเงินทองมาถวายให้กับวัดเพื่อสนับสนุนให้วัดเป็นที่ให้พวกเรา ได้มาศึกษาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างตัวเราให้กลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาให้กลายเป็นพระขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเช่นพระโสดาบันพระสะกี ด, ดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหัน พรอริยะนี้ไม่ได้มีเพียงแต่พระภิกษุนักบวชเท่านั้นพระอริยะนี่มีบุคคลหลากหลายเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีเป็นนักบวชก็มีเป็นฆราวาสก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีเป็นได้ทุกชนชนั้นชาติชั้นวรรณะ เป็นคนไทยเป็นคนต่างประเทศเพราะว่าการเป็นเพศต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาแต่การเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมานั้นเกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรามากระทํากันในวันนี้เรามาทําบุญ เรามาระบาดด้วยการถือศีลแล้วเราก็มาชำระกายวาจาใจชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการภาวนากำลังทำตัวของเราหรือพัฒนาตัวของเราให้เป็นผู้ประเสริฐให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา พระอยบุคคลนี้เกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับขันต้นก็ได้เป็นเทวดาก่อนการเป็นเทวดาก็คือการ ไม่ทำบาปคือรักษาศีลห้าได้แล้วก็ทำบุญมีการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นวัดนี้ก็ต้องอาศัยญาติโยมเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลสนับสนุน พระที่อยู่วัดก็ต้องอาศัยญาติโยมให้ใส่บาตรให้ถวายผ้าจีวรให้สร้างกุฏิให้ยาไว้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บญาติโยมก็ได้ทำบุญด้วยการเสียสละเงินทองเพื่อซื้อสิ่งต่างๆมาถวายพระอันนี้ก็เรียกว่า เป็นการปฏิบัติข้อที่หนึ่งคือการทําบุญข้อที่สองก็มารักษาศีลกันถ้าไม่เคยรักษาศีลห้าหรือปกติไม่ได้รักษาศีลห้าวันพระเราก็มาเริ่มรักษาศีลห้ากันละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายามุขทั้งหลายถ้าเรา ทำสองข้อแรกนี้ได้คือทำบุญละบาปได้เรากำลังพัฒนาตัวเราให้เป็นเทวดาให้เป็นเทพถ้าเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าเราปฏิบัติเพิ่มข้อที่สาก็คือภาวนาการภาวนาก็มีอยู่สองข้อ สองระดับคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราปฏิบัติสมถภาวนาก่อนที่เราจะปฏิบัติสมถภาวนาได้เราก็ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าไปเป็นศีล8เพราะถ้าเรารักษาศีลห้านี้มันจะมีกําลังไม่พอเหมือนกับเวลาเราจะขึ้นเขาเนี้เราต้องเปลี่ยนเกียร์ เกียสูงนี่ขึ้นไม่ไหวเราต้องเปลี่ยนเกียร์เกียร์ต่าสมมติเราวิ่งอยู่เกียร์สเกียร์สี่พอจะขึ้นเขานี้มันหมดแรงเราก็ต้องเปลี่ยนจากเกียร์สมาเป็นเกียร์สจากเกียร์สมาเป็นเกียร์สองเปลี่ยนไปเรื่อ ย, อยถ้ามันไม่มีกำลังเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเกียร์มันต่าลงเพราะมันจะมีกาลังที่จะขึ้นเขาได้ อันใดเวลาเราจะภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับขับรถขึ้นเขาถ้าเราถือศีลห้านี้มันจะมีกำลังไม่พอคือเราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดการไปกระทำกิจกรรมที่เราไม่ควรจะทำคือกิจกรรมทางร่างกายการหาความสุขทางร่างกาย ถ้าเรายังทำกิจกรรมเหล่านี้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นบาปคือไม่ได้ฆ่าศักด์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้โกหกไม่ได้ดื่มสุรายาเมาแต่มันก็ยังเป็นกิจกรรมที่จะดึงเวลาไปจากการที่เราจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ ก, กันเพื่อให้ใจเราได้เป็นได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม อยากสวรรค์ชั้นเทพเราก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมด้วยการเจริญสมถะภาวนาจะเจริญสมถะภาวนาได้ก็ต้องมีเวลาถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นเราจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ได้เราจะไปเราจะรับประทานอาหารมื้อเย็นก็ได้ เราจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ได้เพราะศีลห้าไม่ได้ห้าหมเอาไว้เราจะไปดูภาพยนตร์ดูละครไปร้องรำทำเพลงไปงานเลี้ยงไปทำอะไรต่างๆที่ไหนเราก็ไปได้เราจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามขนาดไหนทเํเเผาทําผมทําหน้าทําตาให้เป็นเทวดาขึ้นมา เราก็สามารถทำได้เราจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้จะนอนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ น, นอนให้สบายจะได้หลับนานๆเราก็ทำได้เพราะศีลห้านี้จะไม่ได้ห้ามไม่ให้เราทำกิจกรรมเหล่านี้แต่ถ้าเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบกัน ถ้าเราถือศีลแปลเราก็จะมีเวลาภาวนาอย่างมากมายเก็หลังจากที่เราเสร็จจากการรับประทานอาหารมื้อกลางวันแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการรับประทานาามื้อเย็นอีกต่อไปเราก็สามารถปฏิบัติตั้งแต่เที่ยงวันไปเลยหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเราก็เดินจงกรมเพื่อจเจริญสติได้ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วพอเมื่อเราก็นั่งสมาธิสลับกันเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมก็พุโทโธพุธโทโธนั่งสมาธิก็พุโทโธพุธโทโธหรือถ้าเราจะดูลมหายใจเข้าออกแทนพุโทโธก็ได้เราจะดูร่างกายเวลาที่เราเดินเราจะใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย แทนคาบริกรรมพุทโธก็ได้เป้าหมายอยู่ที่ตรงไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเวลาเดินถ้าเราดูร่างกายก็ดูเท้าว่าเรากำลังก้าวเท้าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าเราอยู่ที่เท้าเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเรามีการควบคุม ด้วยการบังคับให้ใจเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าตั้งอยู่ที่เดียวอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ร่างกายใจก็จะมีสติแล้วพอเวลาเรานั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออก ไม่ให้ใจไปที่อื่นให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่กับเรื่องของลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็จะวุบลงไปตกหลุมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิพอใจสงบเข้าสู่สมาธิก็จะมีความสุขมากแล้วก็ใจก็จะได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นโพรมสวรรค์ชั้นโพรม เกิดจากการที่เราจเจริญสมถะภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิจนใจรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อันนี้ใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆกับมีความสุขมากกว่าไปนอนกับแฟนมีความสุขมากกว่าการรับประทานอาหารมื้อค่ํา มีความสุขมากกว่าการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆมีความสุขมากกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมอะไรต่างๆมีความสุขมากกว่านอนบนผูกหนาเตียงใหญ่ๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงความสุขทางร่างกายนี้สู้ความสุขทางใจไม่ได้ ความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบนี้มันมีความสุขมากเหนือก ว, กว่าความสุขทางปวงนัตติสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเราได้ถึงขั้นสมาธิเราก็ได้ไปสวรรค์ชั้นผอแล้ว แต่สวรรค์ชั้นพรมหรือสวรรค์ชั้นเทพนี้ยังเป็นสวรรค์ที่ไม่ไม่ถาวรขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องลงม า, าเพราะบุญที่ส่งขึ้นไปคือสติคือสีคือการทำบุญทำทานนี้เป็นเหมือนน้ำมันรถยนต์เวลาเราเติมน้ำมันเต็มถังเราก็ขับรถไปได้ไปไหนมาไหนก็ได้ พอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันก็หมดหมดเราก็ต้องกลับมาที่ปั๊มน้ํามันเพื่อมาเติมน้ํามันใหม่การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนกับการมาเติมบุญเติมกุศลพอเราเติมบุญเติมกุศลทําบุญทําทานไม่ทําบาปรักษาศีลห้าได้เราก็ไปสวรรค์ชั้นเทพได้ แล้วถ้าเรามาถือศีลแปดมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นโผล่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปสวรรค์ชั้นโผลมกันแต่เดี๋ยวเราก็ต้องเลื่อนลงมาพอบุญที่ส่งเราไปสู่สวรรค์ชั้นโผมมันหมดกำลังเหมือนน้ำมันลดมันก็เลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วบุญที่ส่งให้เราไปสวรรค์ชั้นเทพพอมันหมดกาลัง เราก็เดินลงมากลับเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกลับมาที่สถานีบริการใหม่เพื่อมาเติมน้ำมันใหม่แต่ถ้าเราอยากจะไปแบบไม่กลับไม่ต้องกลับมาแวะเติมน้ำมันเราก็ต้องเติมน้ำมันพิเศษที่จะไม่หมดน้ำมันพิเศษที่จะทำให้รถของเราลุใจของเรานี้อยู่บนสวรรค์ชั้นผนไปตลอดอันนี้ เราก็เรียกว่าปัญญาปัญญานี้จะทำให้เรานี้ขยับขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงกว่าชั้นพรมเรียกวสวรรค์ของพระอริยเจ้าที่จะไม่ทำให้เราต้องกลับมาคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองของสวรรค์พระอริยเจ้านี้ ยังน้ำมันยังไม่มีกำลังมากพอยังต้องกลับมาเติมน้ามันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ไม่เกินเจดชาติสำหรับพระโสดาบันถ้าเราขึ้นสู่สวรรค์ชั้นโสดาบันได้เราจะมีน้ามันที่จะทำให้เราสามารถวิ่งไปได้และถ้าจะต้องเติมก็เติมไม่ไม่เกินเจดชาติไม่เกินเจดครั้ง ถ้าเราได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคางมีเราก็จะได้น้ํามันที่จะทำให้เรากลับมาเติมอีกเพียงครั้งเดียวเป็นอย่างมากคืออาจจะไม่กลับมาเลยก็ได้พอเป็นโสดาบันในชาตินี้ปับ๊บก็เติมน้ํามันคือปัญญาก็จะส่งให้เราขึ้นสู่ชั้นสกิดาคางมีแล้วเราปฏิบัติเติมปัญญาขึ้นไปอีกก็ขึ้นสู่ชั้นที่สามชั้นอนาคามีเลย พอขึ้นสู่ชั้นนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ายังจะเกิดก็เกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นนิพพานที่จะไม่มีวันเสือ่อมเพราะใจได้เติมน้ำมันคือปัญญาที่จะรักษาให้ใจนี้สงบตลอดเวลา ไม่ทำใจให้กระเพื่องไม่ทำใจให้เสื่อมเนี่ยถ้าเราได้ภาวนาส ม, มถะภาวนาแล้วเราได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาเติมนั้งมันอยู่บ่อยๆเราก็ต้องเติมปัญญากันปัญญาก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ ว่าต้นเหตุที่ทำให้เรากลับมาต้องมากลับมาเติมน้ำมันกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากต่างๆความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากสามชนิดนี้เท่านั้นที่เป็นตัวที่เราต้องทำลายความอยากอย่างอื่น ที่เป็นความอยากที่ดีเราไม่ต้องทำลายเช่นความอยากจะทำบุญความอยากจะรักษาศีลในวันพระอย่างนี้อันนี้เป็นความอยากที่ดีทำได้ความอยากจะนั่งสมาธิความอยากจะไปบวชความอยากจะฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นความอยากที่ดีต้องมีความอยากแบบนี้เราถึงจะสามารถทำลายความอยากที่ไม่ดีได้ ก็ความอยากไปเที่ยวนี่อยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลื่นกายความอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากรูปรออยากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความอยากที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆหรือความอยากไม่จนอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตาย อันนี้ก็จะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยเราต้องทำลายความอยากทั้งสามตัวนี้ด้วยวิธีที่พระเจ้าสงสอนให้เราทำลายก็คือหยุดความคิดความอยากเวลาเกิดความอยากสามตัวนี้เราต้องบอกว่าอยากไปทำมันมันเป็นการไปสร้างภพสร้างชาติใช้ใช้สมาธิหยุดมันพอมันอยากจะไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิแทน พออยากจะไปหาเงินหาทองหาตําแหน่งไปเป็นผู้แทนไปทำอะไรก็ไปนั่งสมาธิแทนไปอยู่วัดไปวิปัสสนาไปสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเหล่านี้ความอยากเหล่านี้จะนาพาเราไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายซึ่งไม่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีาะเกิดแล้วมันต้องมาดินน้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แล้วก็ต้องมาทุกขกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกขกับความตายเราต้องใช้วิปัสสนาคือปัญญาของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนใจเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากขึ้นมาเพราะเรามีนิสัยเราติดนิสัยเดี๋ยวก็อยากดูโทรทัศน์เดี๋ยวอยากจะฟังเพลงเดี๋ยวจากจะเดิมเครื่องเดิม เดี๋ยวอยากจะรับประทานขนมนมเนยในเวลาที่เราไม่ต้องรับประทานถ้าจะรับประทานก็รับประทานเพื่อให้เรียงดูร่างกายรับประทานตามเวลาแล้วก็รับประทานพอประมาณไม่ให้มากเกินไปแล้วอย่ารับประทานด้วยความอยากวิธีที่จะทำให้เรารับประทานอาหารโดยไม่มีความอยากก็คือเอาอาหารที่เราไม่ชอบ มากินถ้าเรากินอาหารที่เราชอบแสดงว่าเราอยากถ้าเรากินอาหารที่เราไม่ชอบนี่เราไม่อยากกินเราต้องบังคับให้มันกินหรือว่าถ้าเราจะจ ะ, จะกินอาหารที่เราชอบก็ามารวมกันในชามก่อนก่อนที่จะเอาเข้าไปในท้องเอามารวมในชามแล้วมาคนมันทั้งของขควของหวานแกงเผ็ดแกงจืดขนม เค้ขนมอะไรกาฟงกาแฟใส่มันเข้าไปในชามหรือมันก็ไปรวมกันในท้องด้วยก็ให้มันรวมกันในชามที่เราจะตักเข้าไปในปากนี่ก่อนถ้ากินแบบนี้มันจะไม่กินด้วยความอยากเพราะมันไม่อยากกินแต่มันกินเพื่อเลี้ยงร่างกายจริงๆป้อนร่างกายให้ร่างกายมันมีอาหารหล่อเลี้ยงเพื่อมันจะได้ดับความหิวเนี่ย ตอนที่ไปอยู่วัดป่าม่านตานี่พระที่อยู่วัดป่าม่านตานี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดอาหารในบาทของตนเองหลวงตาให้พระเอาพระแต่ละรูปเอาอาหารที่หลวงตาท่านตักแล้วเอาไปตักใส่บาทกันห้ามเลือกเอาไปตักใส่บาทกันไม่มีใครนั่งเฝ้าดูว่าจะตักอาหารอะไรของเข้าไหนทุกอง์ตักใส่บาทเหมือนกันคนละทัพพีทับพีทับพีแบ่งไป ชอบไม่ชอบก็ไม่รู้ะใส่เข้าไปหรือถ้ามีอีกวัดหนึ่งท่านก็เอาอาหารที่ได้จากบิณบาททั้งหมดมาใส่หม้อต้มไปทั้งของขาวทั้งของหวานแกงเผ็ดแกงจืดใส่มันเข้าไปแล้วก็อุ่นมันแล้วก็ตักเป็นเหมือนตักใส่ไปในบาทกินเป็นอาหารรดจานเดียว กินเนี่ยวิธีกินโดยไม่มีความอยากกินเพื่อดับความหิวอาหารมันก็เหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอะ่ะเวลามันรวมกันในท้องมันน่าน่าดูไหมเวล า, าเจียนออกมาเนี่กินเข้าไปใหม่ได้ป่ะอาหารที่แสนอริดอร่อยพ อ, อเจียนออกมาแล้วตักเข้าไปใหม่ได้ไหมนั่นะท่านอยากจะให้ทำอาหารที่เรากินเนี่ยเหมือนอาเจียน มันคุกกันรวมกันอาหารมันอะไรที่จะไปรวมกันในทองเอาใส่ไว้ในชามแล้วก็รวมมันคุกมันเข้าไปคนมันเข้าไปวันนี้จะกินพิซซ่าเอาใส่เข้าไปกินกาแฟใส่เข้าไปกินไอติมใส่เข้าไปกินแกงเผ็ดใส่เข้าไปแล้วก็คนมันคุกมันเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในทองดูมันให้รวมมันตอนที่มันยังไม่เข้าไป แล้วอย่างนั้นต่อไปมันจะไม่อยากกินอะไรถึงเวลาก็กินไปตามมีตามเกิดสบายจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องกินแล้วถ้ากินมื้อเดียวนี้มันจะหิวพอถึงเวลากินนี่อะไรก็อร่อยไปหมดถึงแม้จะคุกกันเป็นเหมือนข้าวหมามันก็อร่อยลองกินมื้อเดียวดูเลยยี่สี่ชั่วโมงถึงจะกินหนึ่งครั้งพอถึงเวลา น, น, นั้นเห็นอะไรก็อร่อยไปหมด น, นี่คือวิธีการกินด้วยไม่ได้กินด้วยความอยากต้องมีกรอบเวลาเหมือนกินยาแล้วก็ต้องอย่าไปทำให้มันน่ากินน่าอยากเพราะน่ากินแล้วมันก็จะอยากกินต้องทำมันแบบให้มันไม่น่ากินมันจะได้ไม่อยากกินมันจะได้กินด้วยความจําใจเหมือนกินยาเวลาเรากินยานี่เราอยากกินยาไหมแต่เราต้องกินใช่ไหม พอเรารู้ถ้าเราไม่กินเดี๋ยวเราไม่หายโรคภัยไข้เจ็บจะไม่หายแต่ถ้าเราบังคับกินมันก็เดี๋ยวก็หายเห็นหมอให้ยาอะไรมาก็ยัดใส่ปากไปเกินเข้าไปยาน้งยาน้ำก็ใส่เข้าไปกินเข้าไปอันนี้แหละคือวิธีกินอาหารเพื่อที่จะตัดภพชาติตัดความอยากถ้าเรากินด้วยความอยากอย่าง คนบางคนก็กินเขามีจานพิเศษจานสําหรับอาหารว่างอาหารหลักอาหารขาวอาหารอะไรช้อนก็ต้องช้อนแต่ละช้อนโอ้โหเลกินเสร็จนี่ช้วยชามเต็มไปหมดเลยอันนี้กินด้วยความอยากกินด้วยความหลงเพลิดเพลินมีความสุขกับการกินอันนั้นเวลาไปกินร้านอาหารหรูๆนี่ย อ็มียกมาแต่ละจานมีช้อนของมันมีส่อมของมันก็กินเสร็จ เ, เปลี่ยนชาติเปลี่ยนจานให ม, เใหม่เปลี่ยนช้อนใหม่เปลี่ยนซ่อมใหม่ไม่ให้เปิดเปื้อนกันไม่เอาช้อนที่ของค้ามากินกับของหวานนี่แหละเีกกินกินเพื่อก่อพบก่อชาติเพราะกินงี้มันจะติดเนี่ยมันจะชอบมันก็อยากจะกลับมาเกิดมากินแบบนี้อยู่เรื่อย ถ้าต้องกินแบบหมากินนี่ไม่อยากจะกับมไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วกลับมาเกิดทําไมอันนี้เป็นวิธีที่พระปฏิบัติเขาทํากันถ้าบวชแล้วไปอยู่วัดปฏิบัติที่เขาแข้งแข้งนี้พระนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอาหารอาหารนี่จะถูกครูบาอาจารย์ท่านจัดการวิธีสองวิธีเนี่ย ให้ช่วยกันตักใส่บาทหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็ให้เอาหารที่ได้จากบินทบาทนี้ใส่ไปในหมอ้อไปต้มไปอุ่นมันรวมกันเป็นอาหารรวมเนี่ยมีวัดดอยปวยที่ยอยู่ที่เชียงใหม่วัดนี้บินทบาทสองีสองสายสายหมู่บ้านชาวชาวแม้ว แล้วก็สายในวังเพราที่วังผู้พิงอยู่งั้นพระก็อยากจะเดินไปเลือกไปบินในวังกันสายผู้พิงก็ไม่อยากจะไปท่านก็เลยบอกว่าเอาอาหารสองสายมารวมกันในหม้ อ, อ ก, ก่อนเวลาบินทบายกลับมาแล้วก็เอาอาหารเทใส่หม้อแล้วก็อุ่นมันเสร็จแล้วก็สักใส่บาตรกันก่ละทัพพีทัพสองทัพพีสามทัพพีสุดแท้แต่ ได้อาหารทั้งของในวังทั้งของชาวเขาปนกันนี่คื อ, อความฉลาดของพระพุทธเจ้าจานฉลาดของคูบาอาจารย์ที่จะมาช่วยเราให้เรากำจัดกิเลสตัณหาความอยากที่จะทำให้เราต้องวุ่นวายกับเรื่องการกินการอยู่แล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด อยู่เรื่อยๆถ้าทำแบบนี้แล้วต่อไปมันจะสันโดษือยินดีตามมีตามเกิดถ้าจะไปอยู่วัดนี้ต้องทำใจก่อนแล้วว่าต้องยินดีตามมีตามเกิดถ้าอยากจะเลือกกินก็ต้องไปอยู่วัดอื่นอย่างวัดยานี่เลือกกินได้ถ้าอยากจะกินอะไรก็เลือกใส่บาทได้ไม่ใส่บาตก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าวัดของครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้มงวดกวดขันนี่ท่านจะไม่ให้เลือกอาหาร อันนี้เพื่อกำจัดตัณหากิเลสตังหาความอยากความโลภให้กินโดยไม่อยากไม่โลภ ก, กินเหมือนกินยาแล้วมันก็จะตัดภพตัดชาติเกี่ยวกับเรื่องการมากินอาหารได้นี่คือเรื่องของการมาสร้างใจของเราให้ประเสริฐทำให้เราได้เป็นพระอริยะเป็นพระอารหันต์กัน เราต้องมาตัดความอยากกันด้วยการใช้ปัญญาปัญญาก็ให้ให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากในโลกนี้มันไม่เป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดพออยากแล้วพอได้มาแล้วก็ติดต้องมีอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่มีก็ทุกข์ทรมานใจ คนที่ติดยาเสพติดนี่เวลาไม่ได้เสพยานี่จะจะทรมานใจจะตายเอาบางทีถ้ า, ถามันรุนแรงนี่ถึงกับตายได้เพราะความอยากเพรามันอยากแล้วมันติดมันต้องอยากต้องมีให้มันเสพ เ, เราสิ่งต่างๆที่เราเสพคือรูปเสียงกลิ่นล้นนี่ก็ทําให้เราตายได้เวลาแฟนเราจากเราไปนี่บางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายตามไปก็มี เวลาเข้าของเงินทองหมดล้มละลายไม่มีเงินเหลืออยู่นี่ก็บางทีก็กระโดดตึกตายกันเพราะไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงเมื่อก่อนอยู่ได้เพราะมีเงินมีทองใช้กันอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรก็ทาได้พอไม่มีเงินทองพอสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่รู้จะอยู่ไปทาไมก็ฆ่าตัวตายกันเพราะทรมานใจอยู่แบบไม่มีอะไรไม่เคยอยู่แบบไม่มีอะไรมาก่อน ก็เราอยู่ไม่ได้แต่สำหรับขอทานนี้เขาเป็นขอทานมาตั้งแต่เกิดเขาก็ทำใจได้เพราะเขาอยู่แบบไม่เคยเขาอยู่แบบไม่มีอะไรมาตั้งแต่เกิดเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็อยู่ได้เพราะเขาไม่มีความอยากที่จะใช้เงินเหมือนกับคนที่เคยมีเงินคนที่เคยมีเงินแล้วไม่มีเงินนี่มันยังอยากจะใช้เงินอยู่ยังอยากจะไปช้อปปิ้งยังอยากจะไปเที่ยวอยู่ แต่ไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงก็ต้องอยู่ไปก็ทุกข์ไม่มีปัญญาที่จะหาเงินก็ฆ่าตัวตายนี่แหละคือความทุกข์ที่จะเกิดมาถ้าเราปล่อยให้ใจเราไปทําตามความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากร่ำรวยความอยากเป็นใหญ่เป็นโตเห็นไหมพอไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมานี่ก็ บางทีก็น้อยหน้านะไม่อยากจะออกไปเจอหน้าใครอับอายขายหน้าเคยเป็นใหญ่เป็นโตแล้วถูกปลดเคยเป็นเจ้าแล้วให้กลับมาเป็นคนสามัญเนี่ยไปไหนมาไหนมันก็ไม่อยากจะไปแล้วถ้าไม่มีสติสตังก็อาจจะฆ่าตัวตายก็ได้นี่คือพิษของความอยากของการกระทาตามความอยาก เพราะสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่แน่นอนมันเกิดได้มันดับได้มันมีเจริญมันมีเสื่อมเ้เวลามันเสื่อมเราจะรับไม่ได้กันเวลามันจากเราไปเวลามันดับเราจะรับกันไม่ได้เราก็จะทุกข์ทรมานใจจนถึงอาจจะต้องฆ่าตัวตายหรือไม่งั้นก็รัทนมคนที่ลับทนวันทดใจตายก็มี อย่างมีข่าวเร็วๆนี้มีดาราภาพยนตร์แม่ลูกเห็นไหมพอลูกตายไปได้สองวันแม่ก็ตายตามไปเพราะรักลูกรักกันมากพอลูกตายไปลูกตายก่อนลูกเป็นหัวใจวายตายพอตายพอแม่ทราบข่าวก็ซึมเศร้าทันทีแล้วอีกวันต่อมาก็ตายตามไปเพราะความติดกับลูก มีความสุขกับลูกพ อ, อลูกตายไปก็ไม่รู้จะอยู่กับใครแล้วก็มีแต่ความเหงาความ ว, าว่าเหวเปล่าเปลี่ยวเดียวได้มันเกิดจากความอยากของเราเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากมันจะทําให้เรารู้สึกเหงาว่าเวเศร้าซ้อยปเปล่าเปลียวเดียวได้อันนี้แต่ถ้าเรา มาทำใจให้สงบได้ความอยากมันจะหยุดแล้วความรู้สึกเหงาว้าวเวเศร้าซ้อยจะไม่มีคนที่ทำใจให้สงบได้นี้อยู่คนเดียวได้แล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็ให้ใช้ปัญญาแก้ว่าอยากไปอยากเดี๋ยวตอนนี้อยู่คนเดียวสบายแล้วอยากไปอยากมีแฟนเดี๋ยวไปอยากมีแฟนไปได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวแฟนจากไปจะอยู่คนเดียวไม่ได้ อันนี้อยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีแฟนยังอย่าไปมีแฟนพ อ, อไปมีแฟนแล้วเดี๋ยวพอจากแฟพอแยกทางกับแฟนก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้จะทรมานใจหัดอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบนี่ดีที่สุดแล้วถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วหัดอยู่แบบนั้นเวลาความอยากมันมาชวนให้เราไปเที่ยวก็อย่าไป มันชวนให้เราไปดูหนังฟังเพลงก็อย่าไปชวนให้เราไปดื่มเครื่องดื่มกินขนมนมเนยอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เวลาที่จะกินก็อย่าไปกินอย่าไปดื่มถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าไปน้ําเปล่าไม่มีพิษไม่มีไทยดื่มน้ําเปล่านี้ไม่ได้ดื่มด้วยความอยากดื่มด้วยความจําเป็นเพราะร่างกายก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่จะต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงมันถึงจะอยู่ได้ แต่ไม่มันไม่ต้องการเป็นน้ำเป๊ปซี่น้ำกาแฟหรอกต้นไม้เราเคยเอากาแฟไปใส่ต้นไม้บ้างไหมเคยเอาเป๊ปซี่ไปใส่ต้นไม้บ้างไหมร่างกายเหมือนก็เหมือนต้นไม้นะ่ะมันไม่ต้องการเป๊ปซี่มันไม่ต้องการกาแฟหรอกที่ต้องการก็คือใจที่มีตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟของเป๊ปซี่นี่เองเหมือนต้องการรสชาติของกาแฟรสชาติของเป๊ปซี่โค้ แต่จริงๆร่างกายไม่ต้องการเพียงน้ำเท่านั้นเองอ น, นี่คือวิธีกำจัดความอยากเวลามันมาชวนเราเวลามันออกจากสมาธิมาบอกเอากาแฟไหมไม่เอาถ้าหิวน้ำก็เอาน้ำเปล่าก็าแล้วกันเอาเป๊ปซี่ไม่ไม่เอาเอาขนมไหมยังไม่ถึงเวลากินก็ไม่เอาถ้าถึงเวลากินเอาแต่เอาไปคุกกับข้าวเลยนะขนมนมเนย คุกมันใจชามเดียวกันแล้วกินมันทีเดียวพร้อมกันไปเลยตอนนั้นอยากจะกินอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วคุกมันเข้าไปแล้วก็กินพร้อมกันไปเลยถ้ากินแบบนี้แล้วต่อไปมันกินอะไรก็กินได้ดื่ม น, น้ำปล่ามันก็อยู่ได้มันจะไม่มีความ mm hmm. หิวโหยกับกาแฟกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้วใจจะสบายหลุดพ้นไม่ติด ไม่ติดกาแฟาไม่ติดขนมไม่ติดเครื่องดื่มดื่มน้ำเปล่ า, ลาสบายไปที่ไหนก็ง่ายน้ำเ ป, เปล่าก็หาง่ายยิ่งจะไปปฏิบัติในที่เงียบๆที่มันก็ต้องไม่มีอะไรไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขานี้จะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เราเสกกันเพราะมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ มันจะทำให้เราต้องกลับมาเสพอยู่เรื่อยร่างกายนี้ตายไปแต่ใจไม่ตายไปกับร่างกายความอยากที่อยู่ในใจก็ไม่ตายไปกับร่างกายมันก็จะดึงใจให้กลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่อีกแล้วก็กลับมาทุกข์กับการมีร่างกายต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลรักษาร่างกายปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆมาทาลาย แต่ให้รักษาให้ดีขนาดไหนมันก็ยังมีภัยในตัวของมันเองก็คือความแก่ความเจ็บความตายป้องกันภัยข้างนอกได้แต่ภัยข้างในกันมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายไปอยู่ดีนี่คือโทษของความอยากต่างๆที่เราต้องใช้ปัญญาสอนว่าการมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่ดีเหมือนติดยาเสพติด ความอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ดีมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ต่ำต้อยก็ไม่ดีมันทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราดิ่นหนีจะทำให้เราไปไปหาสิ่งต่างๆมาทำให้เราล่ำให้เรารวยให้เราเป็นใหญ่เป็นโตใหเรามีอายุยืนยาวนานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็ไปหาร่างกายอันใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไปเอาร่างกายอันใหม่นี่เกิดความอยาก3ามตัวที่เราจะต้องใช้ปัญญาทําลายหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วได้ความสงบแล้วเพราะถ้าเราไม่ทําลายมันก็จะทําให้เราเใจเราไม่สงบถ้าเราอยากจะให้ใจสงบไปเรื่อยๆ เ, เราก็ต้องไม่ทําตามความอยากต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมา ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากที่มีในใจมันก็จะหมดไปแล้วใจของเราก็จะสงบไปตลอดจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจเราเวุ่นวายทำให้เราหิวโหวยทำให้เร า, เ ว, าเว้าเหวเศร้าส้อยงอยเหง า, าทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ทำให้เรากระวนกระวายกระสับกระส่ายมันจะหายไปหมดอาการต่างๆ าอาการเหล่านี้มันเกิดจากความอยากตรงนั้นความอยากมันสร้างอาการที่ไม่ดีต่างๆภายในใจให้เกิดขึ้นพอเราไม่ทําตามความอยากเราหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจใจก็จะสงบถ้าเป็นน้ําก็เหมือนเราจับปลาที่อยู่ในใน้ําออกไปหมดพอไม่มีปลาอยู่ในน้ําก็จะไม่มีปลามาทําให้น้ํากระเพื่อมน้ําที่มันกระเพื่อมเพราะปลามันชอบ กระโจนขึ้นมากระโดดขึ้นมาพอมันกระโดดขึ้นมามันก็ทําให้น้ำกระเพื่อมถ้าเราจับปลาทั้งหมดออกไปจากน้าน้ำมันก็จะไม่กระเพื่อมน้ำมันก็จะเน่งสงบไปตลอดใจของเราก็จะสงบไปตลอดถ้าเราสามารถกาจัดความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น พอไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็ถือว่าเราได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราทํากิจกรรมข้อที่3ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทําได้ครบหมดข้อที่1เราทําบุญมีข้าวของเงินทองอะไรเราไม่เอาไปใช้ตามความอยากเราเอาไปทําบุญแทนแทนที่จะไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อเราก็เอาไปทําบุญ เก็บไว้เท่าที่จำเป็นเก็บไว้สำหรับใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนอกจากนั้นถ้าจะาไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทำบุญให้หมดแล้วเราก็มารักษาศีลกันไม่ทำบาป ก, กันรักษาศีลห้ารักษาศีล8กันเพื่อเราจะได้มีเวลามาจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือทำใจให้สงบพอออกจากความสงบ ก็คอยกําจัดความอยากเวลาอยากดื่มกาแฟก็บอกอย่าดื่มดื่มก็ต้องดื่มไปจนวันตายตายแล้วก็ต้องกลับมาดื่มใหม่ถ้าไม่ดื่มแล้วต่อไปก็ไม่ต้องกลับมาดื่มกาแฟอีกต่อไปอยากจะทำอะไรตามความอยากก็แบบเดียวกันหรืออยากได้อะไรมาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียมันเวลาเสียก็จะทุกข์เวลาได้มาก็ดีใจแต่พอเดี๋ยวเสียไปก็จะทุกข์เนี่ยสอนใจอย่างนี้ว่า การทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขการไม่ทำตามความอยากนี้จะทำนำพาใจไปสู่ความสุขที่ถาวร น, นำใจไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายเนีต้องใช้ปัญญาสอนใจเวลาที่ออกจากสมาธิมาพออยากได้อะไรปับ๊บก็ต้องบอกว่าอย่าเอาถ้าทำก็เหมือนกับไปต่อพบต่อชาติเพิ่ม เพิ่มพบชาติให้มีมากขึ้นเพิ่มการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นเพิ่มความทุกข์ในใจให้มีมากขึ้น<ม>คิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่อยาก<ม>พอเอพอเราไม่อยากความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองถ้าเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลังถ้าเราทำตามความอยากความอยากมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อย เรามีแต่เติมและมีเรามีแต่เพิ่มกำลังของความอยากมาเนี่ยเราถึงมาเวียนไหว้าตายเกิดกันแบบนับไม่ถ้วนแล้วก็จะเวียนไหว้าตายเกิดกันต่อไปอย่างนี้อีกอย่างนับไม่ถ้วนถ้าเราไม่มาหยุดความอยากกันถ้าเราใช้ปัญญาหยุดความอยากได้พกชาติก็จะน้อยลงไปพอหยุดในระดับพระโสดาบันได้ก็เหลือแค่เจดชาติพอหยุดในระดับพระสกิรดาคามีได้ก็เหลือชาติเดียว พอเราระดับพระอนาคามีได้ก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ไปบรรุเป็นพระอารหันต์ในในลำดับต่อไปพอเป็นพระอารหันต์ก็ได้สวรรค์ชั้นนิพพานที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดมีความสุขตลอดเวลาบรมมสุขปาลมังสุขขัง ที่เกิดจากการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าคือให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมามาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญทำบาปถ้ายังมีความอยากอยู่เดี๋ยวก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทาบุญทำบาปใหม่ รักษาศีลไม่ได้ไปทำบาปตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายแทนไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกแทนนี่คือวิถีทางของการทำตามความอยากมันจะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดทั้งในพบที่ดีและพบที่ไม่ดีถ้าเราไม่สามารถหยุดการกระทาความหยุดการกระทำบาปได้ เวลาตายไปเราก็ต้องไปเกิดในภพที่ไม่ดีไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรไปตกนรกกันแต่ถ้าเราหยุดไม่ทำบาปได้ทำแต่บุญเราก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้าเราตัดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือการทำตัวเราให้เป็นพระขึ้นมาไม่ได้ทำด้วยการไปโกนหัวหขมผ้าเหลว อันนี้เป็นเครื่องแบบการทำตัวให้เป็นพระนี่ทำที่ใจทำให้ใจทำแต่บุญละการกระทำบาปแล้วก็กำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธ ค, ความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่แหละเป็นกิจกรรมที่เรามาทำกันในวันพระมาทำตัวเราให้เป็นพระกัน ทุกคนเป็นพระได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนงขอให้ทำเหตุที่จะทาให้เป็นพระเท่านั้นก็คือทาบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบรยสุดแล้วความเป็นพระก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับเป็นพระสวสดาบาลพระสกิดาคามีพระอน า, าคามีพระอาหารหันต์เกิดจากการปฏิบัต ตาคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่พวกเรากําลังมาปฏิบัติกันในวันนี้เพียงแต่ว่าต้องทําให้มากกว่านี้เท่านั้นเองทรอาทิตย์ละวันนี้ยังไม่พออันนี้เป็นเพียงมาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเกิดเริ่มต้นที่วันพระต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันต่อไปก็เพิ่มเป็นสมวันต่อไปก็เพิ่มเป็นสี่วันห้าวันหวันเจวันต่อไปก็อยู่วัดไปตลอด อันนี้แหละถ้าปฏิบัติได้ทุกวันนั่นหละความเป็นพระจะได้ภายในภบนี้ชาตินี้เลยถ้าทำเพียงอาทิตย์ละวันนี้ก็เป็นเพียงเป็นเพียงการ เ, าเรียนรู้หรือชิมอาหารเท่านั้นเองยังไม่ได้กินอาหารจริงยังไม่ได้กินอาหารทั้งจานกินได้คำสองคำเท่านั้นเองยังไม่อิ่มยังไม่พอถ้าอยากจะกินให้อิ่มนี้ต้องกินทุกวันต้องปฏิบัติทุกวันต้องปฏิบัติ ทำบุญทุกวันละบาปทุกวันชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทุกวันถ้าทำได้ทุกวันรับรองได้ว่าความเป็นพระจะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนก็ขอให้พวกเราเริ่มต้นที่วันพระนี้กันแล้วก็ขยายเวลาต่อไปก็วันวันพระแล้วก็วันหลังวันพระต่อไปก็วันก่อนวันพระวันพระวันหลังวันพระเพิ่มไปเรื่อย ในเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เข้าวัดมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกันดีกว่าแล้วพอได้ผลแล้วมันจะมีกำลังที่จะทำมากขึ้นไปเองมันจะอยากทำมากขึ้นไปเองเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขเท่ากับความสุขที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะดับความทุกข์ได้ดีเท่ากับการดับทุกข์ แที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ายิงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันให้มากศึกษากันให้มากแล้วความเป็นพระของเราก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดแบบับการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรมีมีคำถามไหม คำถามจาก i ินบ็ทางเพจแฟนเพจค่ะอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะคะจากคุณธนวัตรกระผมโดนดา่าเพราะว่ากระผมมีสติผมสมควรถูกด่าไหมครับการถูกด่าหรือถูกชมนี่เป็นสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเราเราไปห้ามเขาชมเราห้ามเขาด่าไม่ได้ต่อให้เราทําดีขนาดไห น, นเขาก็ด่าเราได้ถ้าเขาอยากจะด่าเราเขาไม่ได้ด่าเพราะเราดีหรือชื่เอเขาด่าเราเพราะเขาอยากจะด่าเรา งั้อย่าไปเอาเอาเรื่องความดีความเชื่อของเรามาเป็นเป็นเป็นเหตุทําให้เขาด่าหรือไม่ดา่าคนที่อยากจะด่าเรามันด่าเราได้ทุกเรื่องดีหรือเชื่อมันอยากจะดา่ามันก็ด่าได้คนที่อยากจะชมเราเราเชื่อขนาดไหนมันก็ชมได้ถ้าเราให้เงินมันขย่ะมันก็ชมเราได้งั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องการด่าหรือการชมให้ถือว่าเป็นเหมือนฝนฝนฟ้าอากาศ เราไปห้ามมันไม่ได้ฝนมันอยากจะตกมันก็ตกเราดีหรือชั่วมันก็ตกใช่ไหมฝนมันจะหยุดมันเราจะดีหรือชั่วมันก็หยุดมันไม่เกี่ยวกันงั้นเราจะดีหรือชั่วเขาก็ยังดาเราได้อยู่ดีชมเราได้อยู่ดีงั้นถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราต้องรู้ทันว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเหมือนธรรมชาติวันนี้มีสรรเสิญมีนินทาเป็นของคู่กัน เราอย่าไปเอาแต่คําสรรเสริญอย่างเดียวเราจะผิดหวังเราจะเสียใจเราต้องเอาทั้งสองอย่างวิธีเอาก็คืออย่าไปสนใจแล้วก็อย่าไปยินดียินร้ายกับมันทำเป็นเหมือนกับใบบัวน้ำบนใบบัวหยวดน้ำบนใบบัวอย่าไปซึมเข้าหากันเข้าดาบ แ, แล้วเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปแล้วอย่าเอามันอยากให้มันซึมเข้าไปในใจ อย่าเอามาอย่าดูดเข้ามาด้วยความยินดียินร้ายถ้ายินดียินร้ามันก็จะดูดเข้ามาทันทีวิธีจะไม่ยินดีร้ายก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาฝึกทาสมาธิบ่อยๆถ้าใจมีสมาธิแล้วใจจะมีอุเบกขาจะไม่ยินยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกล่างกายคำถามจากคุณจารุวัฒน์ จิตนั้นคืออะไรเป็นความรู้สึกใช่หรือไม่และแตกต่างกับสติอย่างไรครับจิตก็คือตัวรู้เนี่ยตัวที่กําลังมาใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆเราเรียกว่าจิตเรียกว่าใจจิตเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้เกิดตัวเดียวกันทำสองหน้าที่มีทั้งรู้มีทั้งคิดเวลาที่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้มาจิตใจก็มารับร่างกายนี้ไปเป็นของขวัญ จิตใจเป็นเหมือนคนขับรถเนี่ยร่างกายนี้เป็นเหมือนรถจิตใจกับรถนี่เป็นคนละร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละส่วนกันเหมือนกับคนขับกับรถยนต์นี่เป็นคนละส่วนกันแต่มาเร่วมทำกิจกรรมร่วมกันถ้าร่างกายไม่มีใจก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้ารถยนต์ไม่มีคนขับรถก็จอดอยู่เฉยๆไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนกัน ใจอยากจะไปไหนมาไหนก็เลยต้องมีร่างกายมาพาไปเราอยากจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีรถยนต์พาเราไปคนขับต้องการจะไปไหนก็ต้องมีรถยนต์พาเราไปเาฉะนั้นจิตจิตก็คือผู้ที่มาครอบครองร่างกายอ น, นี้แล้วก็ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆจิตนี้มีทั้งคิดได้แล้วก็ทั้งมีมีความรู้สึกนึกคิดเรียกว่าจิตร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิด ส่วนคำว่าสตินี้ก็คือการให้จิตรู้อยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้รู้อยู่เรื่องเดียวเขาเรียกว่ามีสติที่กำลังทำงานก็ให้มีสติอยู่กับงานอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นเรียกว่ามีสติแต่เรามักจะใช้คำสติเราจะใช้คำว่าสมาธิแทนแทนสติกันไม่มีสมาธิในการทำงานเลยจะสดงว่าความจริงไม่มีสติอยู่กับการทำงานเพราะคาว่าสมาธิแปลว่าความสงบของใจ ถ้ามีสมาธิมันไม่ทําอะไรมันสงบมันเข้าฌาน mm hmm. เขาเรียกว่าสมาธิแต่เวลามีมีสติกับการทํางานนี้เขาเรียกสติไม่ใช่มีสมาธิกับการทํางานเราใช้ศัพ์ผิดไปเลยพอมาพูดตอนนี้มันก็เลยงงไปหมดคำว่าสมาธิความหมายที่แท้จริงก็คือเวลาจิตสงบจิตเป็นฌานเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิแต่เวลาที่จิตจดจ่ออยู่กับงานการอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรียกว่าการมีสติ อย่งางาแทนที่จะบอกไม่มีสมาธิในการทํางานเลยคนจะบอกไม่มีสติในการทํางานเลยคำถามจากคุณอนงพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์แต่มีบางครั้งเผลอผิดศีลไปเช่นไปบี่มดและรู้สึกผิดไปหลายวันในขณะที่พระมีวิธีปรงอาบัตช่วยแต่เป็นคาละว่าจะมีวิธีอย่างไรที่จะต่อศีลที่ขาดไปก็การปรองไม่ได้ไปต่อศีลหรอก การโปร่งาเป็นสารภาพให้ไปประจานตัวเองบอกว่าให้ทำผิดแล้วเว้ยก็ไปประจานไปบอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนก็ได้วันนี้วันนี้ไปฆ่ามดฆ่ามแมลงเขาจะไดะ้จะได้รับรู้ว่าเรามันไม่มันไม่บริสุทธิ์เน่ทนั้นเองมันทำบาปไปแล้วมันแก้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระ ห, หรือเป็นโยมวิธีแก้ก็คืออย่าไปทำซ้ำซากที่ให้ไปสารภาพบาปเพืพ่อจะได้ ตายตัวเองว่าเออเรานี่ไม่ได้เรื่องเลยนะจะรักษาศินนาทีก็ยังรักษาไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องไปสารภาพกับคนอื่นให้เขารับรู้แล้วเราก็จะได้มาพยายามรักษาใหม่ให้มันรักษาให้ได้ต่อไปคํถาถามจากคุณรักษการให้คําแนะนําลูกไม่ให้เขามีลูกกันเราจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกเขาจะมีไม่มีก็อีกเรื่องนะึ่ง แนะนำก็ได้แต่เขาอยากจะมีใบห้างก็ได้มันจะทำให้เราทุกไปเปล่าๆเทานะพอเราแนะนำแล้วก็ไม่ทำตามที่เราแนะนำเราก็จะเสียใจเราก็อย่าเสียใจนะถ้าเราอยากจะแนะนำใครสอนใครเราต้องใจใจแข็งเราอย่าไปหวังอะไรจากการสอนของเราสอนแล้วก็ไม่ทำตามเราสอนเดี๋ยวเราก็เสียใจถ้าสอนแล้วเราต้องปล่อยวางเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามก็เรื่องของเขา เราคิดว่าเราให้ข้อแนะนําที่ดีเป็นประโยชน์กับเขาถ้าเขาไม่เอาไปใช้ก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอะไรเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ท่านั้นเ อ, เอแต่เราไม่ต้องมาเสียใจดีไม่ดีเสียใจแล้วไปโกรธเขาเอีกคําถามจากคุณป๋อมบางทีเราท่องพุทโธ ท, ท่องไปตลอดแต่ใจก็สามารถคิดเรื่องอื่นได้ไปพร้อมกันเลยแล้ววกกลับมาพุทโธอีก ความคิดเร็วกว่าการท่องอีกต้องทำอย่างไรให้ดีให้ดีคะ ก, การ ท, ท่องอยู่กับเหนือความคิดก็ท่องให้มันเร็วกว่าความคิดเองกับพุโทโธพุโทโธให้มันเร็วขึ้นด้วยดูมันยังมันยังจะคิดได้เรอก่าแล้วเพิ่มให้มันมีมีอะไรเพิ่มข้นะพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามไปดูเพิเ่มตัวเลขไปด้วยก็ได้คำถามจากคุณใจดี เมื่อปฏิบัติได้สมาธิสงบสุขแต่ว่าติดอยู่กับสมาธิติดสงบสุขจะแก้ไขและเดินต่ออย่างไรให้ก้าวสู่อีกขั้นปัญญาที่ไม่ติดสมาธิได้อย่างไรครับก็เวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาได้อย่าไปใช้กิเลสมักจะใช้กิเลสเวลาออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิมาก็คิดจะไปกินนู่นกินนี่ไปดื่มนู่นดื่มนี่นะก็เอามาใช้ใช้คิดในทางปัญญาเสีว่าเอออย่ากินอย่าดื่มนะ ถ้ายังไม่ถึงเวลากินไม่ถึงเวลาเด่งก็อย่าไปกินอย่าไปดื่มถ้ากินหรือดื่มด้วยความอยากมันก็จะเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาถ้ากินด้วยด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยเวลาที่มันต้องกินเหมือนกินยามันก็ไม่เป็นกิเลสเวลาจากสมาธิมาก็คิดในทางปัญญาได้ไม่คิดกันเช่นมาคิดเรื่องร่างกายเราก็ได้ว่าร่างกายเราเกิดมาล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกายเรามันไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้นะมีแต่อาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันลองค้นหาดูว่าตัวเราอยู่ตรงไหนตรงร่างกายนี้อยู่ตรงผมหรือเปล่าอยู่ตรงขนหรือเปล่าอยู่ตรงเล็บอยู่ตรงฟันอยู่ตรงไหนลองหาดูในร่างกายนี้ว่ามีตัวเราหรือเปล่าตัวเรามีหน้าตายัางไรรู้เปล่ามันลองใช้ปัญญาดูถามตัวเองว่าหน้าตาเราเป็นยังไงร่างกายนี้เป็นตัวเราเหรอ แล้วก่อนที่ไม่มีร่างกายนี้เราอยู่ที่ไหนเรามาเรามาโผล่ขึ้นมาพร้อมกับร่างกายอันนี้เหรอลองถามตัวเองดูคำถามจากคุณจุทาทิพนั่งภาวนาแล้วเห็นแต่ความคิดเข้ามาเห็นแต่ความมัวหนักๆพอเห็นครั้งหนึ่งจิต ก, ก็สว่างขึ้นมาแวบหนึ่งดึงสติอยู่อย่างนี้สักพักสู้ไม่ไหวหลับไปไม่รู้ตัวเลยค่ะ ต้องจเจริญสติโดยการเดินจงกรมก่อนมานะักภาวนาจะช่วยได้ไหมคะได้ต้องมีสติมากๆเวลานั่งก็ไม่ให้นั่งเฉยๆให้มีสติดูลมหรือให้มีสติอยู่กับพุทโธถ้านั่งเฉยๆมันไม่มันมันจะไม่สงบมันจะเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาคำถามจากคุณสมัยขอให้อาจารย์แนะนำการทำสมาธิขั้นสูงโดยย่อหน่อยครับ เอาขั้นต่งก่อนนะเอาท่านพุโทโธก่อนนะพยายามพุโทโธพุโทโธทําจิตให้สงบให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงขั้นสูงขั้สูงมันก็ไม่มีล่ะมันก็มันก็มีนม็นแค่ขั้นเดียวนี่ละ่ะขั้นอับปนานนี้ทําจิตให้สงบจิตให้รวมเป็นสมาธิก็พอแนละ้วขั้นสูงไม่ต้องทำขั้นอรูปฌานนี้ไม่ต้องทําไม่จําเป็นต่อวิปัสสนาคำถามจากคุณเสวรัต์ นั่งสมาธิบางครั้งแน่นหน้าอกบางทีหายใจไม่ออกเหมือนจะขาดใจเป็นแค่บางครั้งค่ะปกตินั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกไม่บริกรรมค่ะควรกําหนดลมหายใจอย่างไรคะก็ไม่เราไม่ต้องไปสนใจอาการต่างๆมันเป็นอาการของกิเลสต่อต้านดูลมไปมันจะมันจะอึดอั ด, อดมันจะเป็นยังไงก็อย่าไปสนใจให้ดูลมไปเหมือนเราดูทีวีเวลาดูทีวีไม่เห็นมันอึนอดอัดเลย ใช่ไหพอดูนมขึ้นมาอื่นอัดเลยอย่าไปสนใจมันเป็นกิเลสสร้างอะสร้างภาพร้อนภาพหลอกให้เราเราก็ดูนมต่อไปหรือพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองคำถามจากคุณสุรจิตท่องพุทโธตลอดอยู่กับพุทโธแบบนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหมครับอ่าเรียกว่ามีสติแต่ยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิ ก็สงบต้องนั่งเฉยๆหลับตาแล้วไม่รับรู้อะไรไม่คิดอะไรแล้วจิตหยุดคิดจิตเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอย่างถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิตั้งมั่นคำถามจากคุณวาสนาพ่ออายุ76ปีตอนนี้พ่อจะสวดมนต์ใส่บาตร ท, ทาบุญตลอดแต่พ่อจำไม่จไม่ลืมว่าตอนเด็กเคยเอาไข่ที่ผู้ใหญ่ใช้เอาไปวัด แต่เอามากินก่อนหนึ่งฟองพ่อบอกมันติดอยู่ในใจขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะว่าเราจะมีวิธีกาใช้นี่ตรงนี้คะก็เอาเอาขายใส่บาทไปทุกวันค่ะคำถามจากคุณจันปราคนทั่วไปมีที่มีสติพูดคุยกันรู้เรื่องแตกต่างอย่างไรกับผู้ผู้ที่มีสติจากการปฏิบัติภาวนาคะก็มีกำลังมากร้อยต่างกันไง คนมีสติมากก็สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติเช่นคนคนคนเสียสตินี้จะไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนได้เลยหรือคนเมาเหล้าอย่างเงี้ยไม่มีสติก็จะไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดอยากจะคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดนะตอนใหญ่ก็พูดแบบไม่น่าฟังไม่น่าซึ่งปกติถ้าเวลาไม่เมาจะไม่พูดอย่างนั้น แต่พอเวลาเมาแล้วมันอยากจะพูดแบบเป็นกลางก็พูดก็ไปแต่ถ้ามีสติมันก็จะไม่พูดไม่กระทํำแต่สําหรับผู้ที่ปฏิบัติมันจะมีสติมากกว่านั้นคือคนที่มีสติปกตินี้ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมความโลภความโกรธความหลงไม่ได้แต่ถ้าคนที่มีสติมากๆนี้จะสามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ควบคุมความโลภความโกรธความหลงควบคุมความอยากต่างๆได้ หมดแล้ยังมีหนึ่งค่ะอ่าอีกางี้ยคำถามจากคุณอดิสรเวลานั่งสมาธิมีอาการปวดเหมือนจะหลุดออกจากกายจะทำอย่างไรจะให้หายจากเวทนาครับอออย่าไปอยากให้มันหายต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บจะยิ่งคิดยิ่งอยากมันยิ่งทรมานแล้วจะนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปมันจะไม่คิดมันจะไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายมันก็จะนั่งต่อไปได้อย่างสบาย เพะเวลาเกิดความเจ็บอย่าไปอย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะมันจะเกิดความทรมานใจขึ้นมาเราต้องอย่าไปให้มันมีความอยากให้มันหายปล่อยให้มันเจ็บไปด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะไม่ทรมานแล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้ปวดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นาเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ